ขอความเจริญในธรรมจงมีนะท่านผู้ฟังทั้งหลายใตร่มพระโพธยานกำลังนาเสนอเรื่องมารเสนารเสนามามาตามลำดับมาถึงข้อที่ที่เจ็ดนะในข้อต่อไปนั้นได้แก่ความลบหลู่หรือความเยหืหยงเป็นอาการของมานะคือความถือตัวว่าตัวเป็นอย่างนั้นตัวเป็นอย่างนี้ตัวเป็นอย่างนน มักจะปรปลบปัจจัยภายในบ้างภายนอกบ้างเช่นว่าฐานะทางะกุลชื่อแท่ต่างๆนะฮะความเป็นมาของบรรพชนสถานะตำแหน่งพื้นฐานความรู้ภูปริรังหน้าตาทรัพย์สินเงินทองชั้นยศตำแหน่งอะไรแต่แรงต่างๆมันก็เยอะคือมนุษย์เนี่ยมันหาเรื่องเบ่งได้งั้ น, นตัวอย่างที่เราชอบอ่าเรื่องกิ้งก่าได้ทองนะค มันก็เกิดสืบเนื่องมาจากประชาชให้อภัยแก่แกระแตกิ่งกาเนี่ยแล้วก็ให้คนส่งอาหารให้แกกินทุกวันวันหนึ่งมันไม่มีเนื้อบคนซื้อก็เอาทองค่าค่าค้าอาหารเนี่ยไปปลูกคอให้แกก็ยิงผยองก็ถือว่า ตัวเองเก่งกว่าคนอื่นนะครับลักษณะเหล่านี้พึงสังเกตว่าปรากฏหมดอนะ่ะแม้สัตว์ติดจ่าหรือว่ามนุษย์ตัวอย่างที่เราดูง่ายๆเช่นวสุนัขที่เจ้านายก็เป็นผู้ใหญ่ทีามาาานน่มีคนพี่นอพี่เต่ามากเจ้านายเขาเป็นคนใหญ่คนโดมงหคนพี่นอพี่เต่ามากแล้วก็แต่คนเหล่านั้นก็คือเกรงใจหมาเขาด้วยเพราะว่าต้องเอาใจนาย แล้วหมาตัวนี้แกจะเบ่งนะในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราก็มีข่าวเรื่องหมาอะไรต่ออะไรอยู่พถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลานายแกตายไปนะตันเกจะเหงาแล้วก็จะกลัวกลัวอันตรายคือว่าคนที่แกเคยเบ่งเบ่งไว้เคยเลียหัวเขาเคยอะไรกัดเขาเคยเห่าเขาเคยเบ่งเบ่งเนี่ยก็จะเกิดอาการ ซึมเศร้ามันหมดเงื่อนไขให้เบ่งแต่เบ่งไม่ได้ในขณะเดียวกันแกก็กลัวแกก็กลัวแล้วบางทีก็อาจจะถูกถูกทอดทิ้งกลายเป็นหมาจรจัดไปเลยนั่นเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้แต่ว่าลักษณะทางสังคมมนุษย์เราเนี่ยมีคนเยอะที่ขึ้นตกขึ้นตกขึ้นตกเนี่ยแล้วกลายเป็นพักเป็นพวก ถึงจุดหนึ่งยุคเฟื่องฟูของพวกตัวเองก็เบ่งใหญ่โตดูถูกดูหมิน่นสม ป, ประมารถนาคนอื่นเกิดตะหงการเกิดประมังการขึ้นมาแล้วพอถึงยุคเสื่อมมันก็ไปเที่ยวหาใครเข้าไม่ได้เข้าหน้าใครก็ไม่ได้เพราะลักษณะเหล่านี้เป็นอาการกระด้างที่มีอยู่ภายในใจคนโดยการเทียบเคียงแล้วก็หลงทาง หลงประเด็นคนอื่นนะฮะซึ่งปัญหาเหล่านี้เในสังคมไทยเราเรามักจะเที่ยวอวดว่าสังคมไทยเราไม่มีชนชั้นไม่มีการดูถูกดูหมิ่นกันแหละจอมเขาแหละฮะที่ดูถูกดูหมิ่นกันมากลองสังเกตไหมวัดวาอารามก็ไม่เว้นนะฮะเล่นภาคเล่นพวกเล่นภาคเล่นจังหวัดเล่นอะไรกันดูตลุดไปหมดเลยแล้วก็เทโออวดว่าไม่มีชั้นวรณนนะไม่จริงนะฮะ ที่มีชั้นวรรณะมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะว่าธรรมชาติสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเนะี่ยไม่ต้องไปอ้างหรอกของพราหม์เองก็อย่างแสดงเปิดเผยเออปัญญาการศาสตร์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นพรามณ์เป็นยันทานแล้วก็เล่นพวกตัวเองสนับสนุนกันในพวกตัวเองแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นกดขี่เบียดเบียนคนอื่นพวกนี้ก็เกาะกลุ่มขยายตัวเองก็ต่อสู้กันมาเรื่อย จนถึงเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าคนระดับจันทานเนี่ยมากลายเป็นประธานาธิบดีได้นะฮะสู้สึกจะเป็นสูตรหรืยปัญญานนะคนเนี้ยนั้นก็แะแดงให้เห็นถึงว่าเอาข้อจริงเนี่ยมันไม่ใช่ข้อยุติว่ากำเนิดคนมาและจะดีหรือสกุลอย่างนั้นก็จะดีพ่อแม่รวยก็จะดีเกิดในสกุลสูงก็จะดีเป็นเศรษฐีก็จะดีก็ไม่ใช่ มันดู่ที่การกระทาดีพระเจ้าเองนั้นมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้สถานะตรงนี้เพียงแต่ว่าไม่มีกิเลสเป็นเอติชัยซะนั่นเองจะอย่าลืมนะพุทธเจ้าอ่อนน้อมมาตลอดอ่อนโยนตลอดตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้จัดสรุปหรือย่าลืมพระเจ้าจัดสรุประชนพันศาสามสิบพาเต็มนะ ในช่วงตรงนั้นไม่มีใครที่มีความรู้สึกว่าเจ้าชาศิริธามีความหยิ่งมีความกระด้างมีความถือตัวดูถูกดูหมิ่นคนอื่นไม่มีเลยเพราะว่าสงเข้าถึงสัจจะของชีวิตจันึกภาพที่ตรงเสด็จไปพบคนแก่คนเจ็บคนตายนี่เข้าประคองเลยนะฮะชนะไม่ยอมกระแทกก็ไม่ยอมเหมือนกันจะน่ากลัวจะติดโรคท่านก็ไม่สนพระไทยอ่ะถ้านไม่มีความรู้สึกแตกต่าง ในขณะที่ท่านอยู่ในสังคมซึ่งมีความแตกต่างกำหนดให้เกิดความแตกต่างแลยตั้งเงื่อนไขว่ามันมีความแตกต่างเนี่ยแต่ว่าพระองค์ไม่ยอมรับความแตกต่างตรงนั้นในยุคสมัยที่ทรงเป็นรัรจ้าอยู่ก็มีคนมาถาม ถ, ามถึงชาติสกุลก็รับสั่งว่าอย่าไปถามใึงชาติสกุลเลยถามในการกระทากันดีกว่าเพราะได้ชาติสกุลแล้วเขาจะเขินเลย เช่นสมมุติว่าสมบูรณ์เ า, าพระองค์บอกว่าพระองค์ชื่อวสิทธะเป็นศากยบุตรเป็นราชวงศ์สุริยวงศ์โอ้โหคนก็งงหมดเลยเพราะว่าเป็นวงสูงสุดในชมพูทวีปแต่ว่าตัวสัจ ธ, ธรรมเป็นยังไงคนเราจะเป็นคนเลวไม่ใช่ประชาสกุลเป็นคนประเสริฐก็ไม่ใช่ประชาสกุลแต่เป็นคนเลวก็เพราะการกระทําไปผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทํา เรื่อความกระด้างตรงนี้ยถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้สถานภาพอย่างนั้นมีความเคารพมีความคาระวะมีความไม่กระด้างแล้วก็อ่อนโยนต่อบุคคลทั้งหลายมลลักษณะของน้ําเนี่ยเห็นไหมมันซึมซับไปได้ตลอดแล้วทําลายภูเขาได้นะน้ํานเนี่ยทําลายภูเขาได้ทําลายอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลย แ่ดินภูเขาต้นน้ําลำธารอะไรต้นไม้ก็ทําลายได้เลยเขาหล่อเลี้ยงก็ได้นะเขาทําลายก็ได้ก็รักษาก็ได้ทางทางที่น้ําก็อ่อนพระท่านจึงสอนเอาไว้ไปอย่างน้อยที่สุดนี่เราเป็นผู้น้อยเป็นผู้น้อยคอยก้มประนงกรเหนื่อยไปก่อนจึงสบายเมื่อปลายมือ ก็พยายามที่จะลดความลบรลู่คนอื่นโดยรูปร่างโดยชื่อโดยโคตรด้วยแสโดยความรู้โดยสถานะโดยตาแหน่งเนี่ยที่จริงในแง่ของความเป็นจริงที่แท้จริงมันไม่มีอะไรสำคัญกว่าอะไรคล้ายๆกับตาหูจมูกลิ้นกาใจของเราเนี่ยถามว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรแน่นอนถ้าแยกส่วนแล้วก็ใจสาคัญ แต่ถามว่าใจถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อยู่ได้หรือเปล่าถ้ามันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายนี่อยู่ได้หรือเปล่ามันก็เปล่ามันก็อยู่ไม่ได้เพหัะใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่เสเบียงแต่ใจก็ตามแต่ใจต้องอิงอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแถ้าหากว่ามันเกิดความขัดแย้งกันในอายตนะของเราในบุญวะร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องดูอะไรว่ามันมีวัตถุสิ่งของวางอยู่ในที่หนึ่ง ตาก็ต้องการจะดูหกกดูก็ต้องการจะฟังจมูกก็ต้องการจะดมเท้าไม่ยอมเดินเลยไม่ยอมเดินไปดูให้เอ็มแบบไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเท้าขึ้นเดินแล้วก็ตาหลับตาเนี่ยมันก็ตกลงมาตายเวลาตายเนี่ยตายทั้งตาทั้งเท้าตายทั้งตาทั้งไตทั้งตีนนะหรือตายด้วยกันไม่ใช่าตายเฉพาะตาหรือว่าตายเฉพาะเท้า เพรความสําคัญของเรื่องตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรสําคัญกว่าอะไรแล้วขาดกันไม่ได้ด้วยหรือถ้าเรามองกันในความเป็นจริงเนี่ยแม่ค้าหาเปร้แฝงลอยต่างๆพวกพนักงานกวาดขยะลอกท่อะอะไรอะไรที่สำคัญทันั้ น, น, น, นการที่สูดความสําคัญเนี่ยมันที่เราพูดว่าพอแกงจืดก็จะรู้ขุนเกลือสมมติว่าคนเหล่านี้ยเขาเกิดไม่ไม่ขายของเลยเนี่ยกรุงเทพ หาเป้แผงลอยข้าวบ้านหมดเลยอยู่ได้เลหรือว่าพนัก ง, งานกทมเกี่ยวกับล้างทอ่อเกี่ยวกวาดขยะแกีอะไรแต่ไหนเนี่ยหยุดงานโดยหมดเลยไม่ทํายูไม่ได้แล้วนะฮะใหญ่โตยังไงก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีความสําคัญกานจึงสอนให้ขาจาัด ก, การลบหลู่และความกระด้างการหัวตื้อถือตัวลงไปพวกนี้เป็นเสนามานหรือว่าเกษตนา ประการต่อไปสิ่งที่เป็นโลกกระมแต่มันจะดึงปัญหามาหมายความว่าอะไรล่ะเวลาเนี้ยเรามีอะไรล่ะพอพอชอมีอะไรอะไรเยอะนะมีพวกใบเกี่ยวกับพวกเงินองค์กรพิเศษต่างๆดานรัฐนูลฉบับใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะเพราะในการได้มาของคนลาบยศสรรเสริญแม้แต่สุขลาบยศสรรเสริญสัก์การะความเคารพนัถือเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่หน้าหน่าสลดก็มีหนังสื้อพิมพ์คนหนึ่งเขามีข่าวอะไรเขาก็มาเล่าให้ฟังได้ก็เป็นนักข่าวที่เกี่ยวกับศาสนาอยู่นังสื้อพิมพ์ใหญ่เขาก็จะเล่าอะไรต่อเม่อะไรให้ฟังเอาข้อมูลเใาเอกสารมาให้ด้านต่างๆก็แล้วก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้กันวันก่อน เจะเห็นว่าพวกเหล่านี้มันดึงมันมันคล้ายๆได้นะฮะแต่เสี่ยงต่อความเสียหายเพราะนี้มันพร้อมจะเป็นมานพวกนี้คืออะไรพวกวัตถุกรรมทั้งหลายวัตถุกรรมทั้งหลายก็คือเช่นสมมติว่าเราได้เงินทอมาจำนวนกี่ล้านก็ได้นะะแต่ว่าเงินนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วก็มีการคนตั้งข้อสังเกตมีการสืบสวนสอบสวนกันเนี่ยนะมันอาจจะถูกยึดเข้าคลังหลวงได้ทั้งหมดเลย เงินหลงนี้แล้วเอาตัวคนเข้าไปในคุกจด้วยเห็นไหมเงินตรงนี้กลายเป็นเงินที่เป็นมารเป็นอุปสรรคเป็นผู้ฆ่าเป็นตัวทำลายไอ้ยศบางอย่างที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรมีการวิ่งเต้นมีการซื้อหาแล้วก็น่ารังเกียจนะเราจะเห็นว่ารายการในแถวช่วงอะไรล่ะช่วงเดือนกันยากันยาในของชาวบ้านนะฮะ ชาว บ, บ้านนี่วุ่นวายมาตั้งแต่สิงหานะเสร็จแล้วพอแถวตุลาเนี่ของพระพูดแต่เรื่องยศใครได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนใครเป็นอะไรไม่เป็นอะไรวุ่นไปหมดเลยงานการไม่ได้คิดถทำแล้วก็ได้มาบางทีคน ง, งน้อๆนี่ก็ได้มาเป็นนั้นเป็นนี้เป็นนักปราด ช, ชื่อเหมือนกับนักปราดไงแต่ไม่ได้แสดงภูมิรู้อะไรมาเลย โดยเรื่องสิ่งที่ได้แล้วก็ไม่มีความพูกใจภักดูมใจอะไรคนเราถ้าละอายแก่ใจหน่อยเดียวนะเราไปกินเงินภาษีของแผ่นดินแต่คุณสมบัติความรู้ความสามารถฝีมือผลงานต่างๆเนี่ยไม่เหมาะสมแก่เงินที่ได้มาจากหยาดเหงื่อของราษฎรไปในแผ่นดินคนมีสํานึกตัวนี้มันก็ตัวเป็นปัญหาแล้วความสรรเสริญบางอย่างเนี่ยฮะโปรโมชั่นการเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่า คือสามารถจะจ้างให้ใครเชียร์ใครได้ในยุค ข, ของโลกาภิวัตน์ยุค ข, ของข้อมูลข่าวสารยุคสารสนเทศอเนี่ยเป็นยุคปลูกเสกปลูกเสกโฆษณาสินค้าคือปลูกเสกผักการเมืองก็คือปลูกเสกการแม้แต่พร ะ, พร ะ, พระเครื่องพระสงฆ์ก็ปลูกเสกกันมีกองเชียร์ตั้งกองเชียร์สรรเสริญพูดอย่างไรจะเป็นพระอริยะและโดยเฉพาะถ้าพวกลูกศิษย์ไปทำอะไรยิ่งเละใหญ่ มันเป็นกระบวนการจัดการของกลุ่มผลประโยชน์ทางหลายที่อิงอาศัยซึ่งการแล่กันเราลองสังเกตว่าในสังคมเราเนี่ยการสรรเสริญเนี่ยมันทำนำไปสู่ลาบนาไปสู่ยดแล้วไม่รู้ว่ามันได้ไปยังไงก็ได้เพราะเพราะว่าเราหลงว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเราก็นำมายกย่องสันเสริญควรแกการยกย่องเวลาตั้งชื่อตั้งเสียงเรียงนามอย่างพระบางทีเนี่ย ที่มีกระบวนการจัดการกันดีนี่ตั้งชื่อเหมือนพระอระหันต์เล ย, ค ล, ยคลายกหมดอาสวะกิเลสแต่ที่จริงเป็นกระบวนการจัดตัง้งมีพระอริยะสงฆ์มีเกจิอาจารย์เป็นร้อยๆเป็นหนังสือเล่มๆนำทั่วนำเที่ยวนำทั่วน ำ, น ำ, วนำอะไรต่ละอย่า ง, างเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ประสานร้รอยรัฐผลประโยชน์กันแล้วถ้าเราดูให้ดีแล้วก็เหมือนกับพวกสงเจ้าขาผีนั่นเองครับ เพียงแต่ว่าสังคมไม่ได้สังเกตในเชิงที่เป็นเนื้อหาเราไปมองในเชิงที่เป็นรูปแบบสันเซิญเหล่านั้นเป็นสันเสริญไม่จริงท่านบอกว่าที่ได้มาในทางที่ผิดเนี่ยแม้แต่สักการะการเคารพนับถือยกย่องชื่นชมจากบุคคลทั้งหลายเนี่ยถ้าได้ในทางที่ผิดแล้วมันเป็นมารเป็นตัวดึงปัญหาคือการตรวจสอบเข้ามา เวลานี้องค์กรการตรวจสอบจากข้างนอก NGO ทั้งหลายเนี่ยหรือพวกองค์การองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธมนูรเนี่ยมันมีความเข้มแข็งองค์กรตรวจสอบทางศาสนาเนี่อ่อนแอมากเลยออนแอจนเรียกว่าไม่เป็นโลเป็นภายอะไรเลยองค์การศาสนาเองก็หวังพึ่งพาอะไรไม่ได้ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนอะไรคณะสงฆ์เองก็อยู่ในโลกส่วนตัวคือหลงโลกไปเลยนึกว่าตัวเองบริหารพระศาสนานี่ยจะเดิญรุ่งเรืองมาก แล้วก็โดยไม่ได้สังเกตติดตามอะไรเป็นเรื่องที่น่าสลดนะฮะน่าสลดทัวถูมากทั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีเป็ น, นอันมากที่มันใช้ระดับโปรโมตนฮะที่มีการพูดถึงสํานักแข่งหนึ่งว่ามีเพรสมีสถานที่มีโปรดักต์มีหลักการผลิต ด, ดีๆแล้วก็มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับโปรโมการทาําโฆษณาโดยวิธีการการตลาดการรปหรันการจัดการในเชิงตลาดเนี่ย แล้วคนเหล่านั้นก็ได้ในสุดมันก็ย้อนกลับแล้วพวกนี้อยู่ไม่นานนะนะราลองสังเกตว่าพระเด่นดังทั้งหลายเนี่ยอยู่ไม่นานนะถ้าไม่เด่นจริงไม่ดังไอ้ไม่ดังจริงๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะพลาดจนได้ล อ, ลองสังเกตว่าพระเด็กๆพระหนุ่มๆที่ปุ บ, บ, บป่าปุบป่บขึ้นมาประมาณสักสิบปีเมืเนี้ยเราจะเห็นว่าเยอะเลยนะขึ้นมาแล้วก็หายหายหายหายไปมันไม่มันไม่จริงอะ่ะ มันเป็นลาบยศสรรเสริญที่ได้มาในทางผิดเป็นการแสวงหาลาบด้วยความสํานวนบาลีตันใช้คำแรงนะฮะปาปิโซปราถนาลามกเป็นความคิดที่ชั่วร้ายเห็นไหมเป็นอาการของโลภมันเออโลภนี่ตัวแสบมากนะฮะา้นบางทีก็แสดงว่าโลภโุธมานังบริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย ข้อสุดท้ายก็คือยกตนแล้วก็คมคนอื่นอันนี้ที่จริงก็เกิดสืบเนื่องมาจากตัวความลบหลู่ความกระด้างนั่นเองคือเป็นอาการเข้ามานะนั่นเองแล้วก็อาจจะเกิดจากลาบยศสันเซินสักการะก็ได้ทุกนี้จะทําให้คนพยองลาพองเรามีลาบมากกว่ามียศสูงกว่ามีการสรนเรินจากคนทั้งหลายแล้วก็มีการสักการะส ม, มณะการเคารพนับถือยกย่องแก่บุคคลทั้งหลายมากๆ ม, มันก็เอาไปเทียบเคียงกับคนอื่นเราก็เหนือกว่า เลี้ ย, ยงย่อมแล้วข่มคนอื่นคือพวกเราเนี่ยที่จริงถ้าเราถ้าเราดูให้ดีเนี่ยคือมันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงๆอย่างสมมติอ่ยศช้างเนี่ยยศช้างเนี่ยนะมายศช้างกุนนางพระเนี่ยคือรู้จากตัวเองเนี่ยคือมาเป็นอะไรก็เป็นประสูตรพลกนาพรพระเจ้าธรรมนิเทศประเทพติโลกเราก็พยายามทํางานให้เหมาะสมแก่ ชื่อที่ท่านตั้งไว้หรือท่านไว้วางใจให้เราเป็นอย่างนั้นเราก็ทำงานตามนั้นกันนั่นเองแต่เราก็ไม่สูงใหญ่เราโตอะไรเพียงแต่ว่ามันได้โอกาสมาความสังคมเขาให้เครดิตเขาให้โอกาสในการเราทำงานเราสามารถจะไปบรรยายเผยแพร่ศาสนาในองค์กรต่างๆในสถาบันต่างๆแล้วขขาขายเขางานก็ขยายขึ้นเราก็สุขใจที่เราได้รับใช้พระพุทธเจ้า แล้วานนั้นเองแล้วสุขใจที่เราได้รับใช้งานพระศานสนาเราก็ไม่ได้คิดเราใหญ่อะไรเรคิดแค่เด็กรับใช้แต่เองนะคิดแค่เด็กรับใช้นะรชพระรัตนตรยัยพอแล้วไม่ต้องคิดแต่ใหญ่แล้วก็สบายแนละ้วก็อยู่ที่ไหนก็สบายก็ไม่จําเป็นอะไรแล้วมันก็เบาเพราะฉะนั้นอาการการการยกตนแล้วก็ข่มคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่า มันเป็นอาการกระด้างเพราะชาติเพราะโคตรเพราะทรัพย์เพราะยศเพราะตำแหน่งเพราะหน้าที่การงานเพราะสถานะในสังคมอะไรมันพร้อมจะดึงอะไรไปเยอะแยะเลยแต่ทั้งหมดนั้นคือการทำลายตัวเองมันเกิดเป็นอาหารการ์ ม, มังการแล้วก็เกิดเป็นอติมานะธลูุ ม, มินคนอื่นก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะว่าพระที่นารันธาที่ตอนอิสลามเติกเข้ามาบุกทำลายนะ ถ้าท่านไม่ดูหมิ่นชาวบ้านท่านเป็นมิตรกับชาวบ้านบ้างนะสงเคราะห์ช่วยเหลือร่วมทุกขร่วมสุกกับชาวบ้านคือเป็นกาลยาณเมิตรกับเขาอะพระในที่จริงชาวบ้านเขาไม่ทิ้งหรอกแล้วถ้าเราไปดูในต่างจังหวัดเราจะเห็นเลยแม้แต่ข่าวคราวที่ตอนน้ำท่วมที่เพชรบูุ์ที่อะไรต่ออะไรนี่นะเราสังเกตนะฮชาวบ้านก็เป็นห่วงพระพระก็ดูแลชาวบ้านชาวบ้านก็ดูแลพระก็ดูแลกันแล้วก็อยู่กันคล้ายๆกับครอบครัวพุทธเนี่ยต่างจังหวัดนี่จะชัดเจนเลย ต่างจังหวัดนี่ชัดเจนมากในกรุงเทพเนี่ยการปฏิสัมพันธ์คันเกี่ยวข้องกันไปมาสู่กันมันไม่ค่อยมีอะไระแต่ถ้าจะอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็คือลูกหลานเราก็คือลวงลุงหลวงตาหลวงหน้าหลวงนาหลวงพี่หลวงน้องอะไรตายนี่กขยันยงก็มาดูแลเจ็บไข้ไม่สบายเนอะคนเป็นห่วงเป็นใดมาดูมาแลกันมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะว่าเป็นเป็นกาลยาณมิตรกันนะ คือพระกับชาวบ้านอย่าคิดใหญ่คิดโตเล ย, ค, ย, ค, ย, ค, ยคิดแค่กัญญาณมิตรแค่เพื่อนพุทธบริษัทได้กันคือชาวบ้านเขาไม่นั่นเองอย่างถ้าท่านู้วังได้ดูรายการรายการรู้ธรรมนำชีวิตนะตอนเช้าเนี่ยแลไปถ่ายทำเนี่ยในการถ่ายทำเนี่ยบางทีก็อี้ยาวมาายาวเนี่ยแล้วก็ให้อาตมานั่งก็โยมก็นั่งโดยก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอก ได้แปลกอะไรก็นั่งเราทํางานกันมันไม่ใช่ว่าต้องจะต้องแบ่งแยกจะต้องมีชนชั้น อ, อะไรแต่ไหเนี่ยนะคือเขาห้างห้ามนั่งอาัศนาะเดียวกับผู้หญิงทนเองวินัยเนี่ยเขาไม่ห้ามนั่งกับผู้ชายก็ไม่ได้ว่าอะไรก็รู้ความเหมาะความควรในกาลเทศะอะไรแล้วคนก็มีคนติ่งมาบุรุษใหญ่ทั้งก็ติ่งมานะบางทีเนี่ยและนั้นก็เป็นความเชื่อเป็นความรู้สึกของท่าน เป็นการต้องการจะให้เป็นกิจลักษณะก็เป็นเรื่องของความรู้สึกแต่เราอย่าลืมนะว่าเอาเขาจริงเนี่ยเราก็ต้องนั่งด้วยกันเช่นสมมติว่าไปรถไฟเอาไปรถไฟชั้นเดียวกันที่นั่งเราก็นั่งที่เดียวอ่ะตันึงก็โยมนั่งมันก็นั่งด้วยกันเนะีย่ยจะเป็นอะไรไปเราก็ก็เหมือนกันเวลาตายก็ตายด้วยกันนะ่ะ ทีนี้ถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่ามันมันสรรหุกวุตติคือประพฤติโนเบาไม่ดักอึ้งไม่อะไรล่ะโลก น, นิทึกว่านาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบ่อทาเดโชแช่มช้าพิษน้อยหญิงยะโสแมแรงป่องชูแต่หางเอง็งอ้าโอดอ้างฤทธิเราไม่ใช่แมแรงป่องแล้วแมแรงป่องที่จริงมันไม่มีอะไระนะ แต่มันเบ่งเกินสถานะที่มันเป็นไปในขนาดที่นาคราชเนี่ยมันยุ่งใหญ่มันมีพิษมันมีพลังอํานาจแต่นเลื้อยไปแบบนาคราชเหมือนพระยาราชสด็จีเดินไปแบบพระยาราชสด็จีไม่แสดงอาการเบ่งเออะโวยวายใหญ่โตอะไรแต่ไหนเพราะมนุษย์เนี่ยถ้ารู้จักตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่ สถานะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลกับเหตุการณ์กับกรณีกับอาคารสถานที่ก็สรุปง่ายๆนะคือปฏิบัติตรงตามหลักของสัพปริสธรรมเราลองสังเกตว่าสัพปริสธรรมเจ็ดเนี่ยที่จริงมันเป็นปัญญาภาคสนามทุกข้อมันเป็นอยู่แต่นั้นเองธรรมันอยู่อัฏฐานยู่อัฏตัญยูมัฏตัญยูกาลัญยูปริสัญยูเป็นอยู่ทั้งนั้นนะฮะบุคละบาลัญยู ปุกรันยูก็ได้ปุกระประันยูตาก็ได้นะคอนี้ก็คือคือเราจะเห็นว่าเป็นปัญญาภาคสนามที่มันลดความเข้มข้นของกิเลสให้เจอจางว่าบางลงไปทั้งฟังทั้งทลายได้ร่รมมโพทธิยานได้นำเสนอเรื่องปยามาณเกษนามานมาหลายวัน ก็ครบสิบพอดีนะฮะคือกิเลสกรรมความไม่ยินดีความหิวกระหายตัณหาความง่วงเหงาเหงานอนความกร า, าดความลังเลความลบหลู่ความกระด้างแล้วก็ลาบยศสรรเสริญสักการะที่ได้มาในทางที่ผิดและความยกตนข่มคนอื่นแต่ละอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นมาราเสนาคือเสนมานเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้หักกรามเป็นผู้ทําลายเป็นผู้ริตรอนสิ่งดีงามต่างๆในตัวมนุษย์ลงไปเป็นธรรมะที่ต้องลดละ แล้วก็บันเทานะฮะมีอยู่สองประเภทคือรถละ ก, กับบันเทาต้งฝังทัางหลายแต่รลวงพรพุทยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมองงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี